11การภาวนาโดยมีจิตผู้รู้วงเล็บเปิด23ากุมภาพันธ์2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาที18วงเล็บปิดผู้ปฏิบัติสายวัดป่าส่วนใหญ่จะเริ่มจากทำสมถะเพื่อให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาก่อนพอมีจิตผู้รู้แล้วให้มารู้กายไว้เช่นมารู้ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูโดยขณะที่รู้กายไม่เพียงรู้แค่กาย หากจิตขยับเขยื่อนก็รู้ทันจิตด้วยถ้าเกิดความฟุ้งซ่านมากคือจิตจับอารมณ์แต่ละอย่างโดยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ให้ทําความสงบเข้ามาใหม่จนเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาใหม่หากภาวนาเจริญปัญญาไปมากๆเกิดความเหน็ดเหนื่อยก็ทําสมถะเพื่อการพักผ่อนสมถะของผู้ปฏิบัติทรายวัดป่าจึงมีสองวัตถุประสงค์คือเพื่อให้เกิดสมถะกับเพื่อให้เกิดจิตผู้รู้เมื่อเกิดจิตผู้รู้แล้วร่างกายนี้หายใจใจเป็นคนดู ความสุขหรือสุขเวทนาเกิดขึ้นใจก็เป็นคนดูฝึกการแยกรูปแยกนามไปเรื่อยๆหากไม่แยกรูปแยกนามจะไม่ขึ้นวิปัสสนามีข้อควรระวังคืออย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้ถ้าเพ่งใส่ตัวผู้รู้ตัวผู้รู้จะกลายเป็นตัวถูกรู้จะหลงไปพอเกิดผู้รู้แล้วสติรู้กายก็รู้กายเห็นกายไม่ใช่เราสติรู้เวทนาก็เห็นเวทนาไม่ใช่เราสติรู้จิตที่เป็นกุศลหรืออกุศล ก็เห็นว่ า, ากุศลและอกุศลไม่ใช่เราสติเห็นตัวจิตแท้ๆที่เกิดที่ตาที่หูที่ใจเกิดแล้วดับไปเรื่อยๆไม่เห็นมีตัวเราเรียนไปจนกระทั่งถอดถอนความรู้สึกความเห็นผิดว่ามีตัวเราก็จะได้พระโสดาบันตรงนี้เอง